หลวงพ่าบอกว่ามันโม ว, ม ว, มวมัวไปก็เลยหัดดูว่าไปประคองเลิกซะเลิกจงใจนะครเลิกคนกวา่าเลิกติ้นรนรู้ซื่อซื่อรู้ ซ, ซ, ซ, ซื่อซื่อไปหมอพีดูออกไหมจิตหมองไปแล้วจิตมีโมหะเขารู้ไปนะหากคุณตรงเดือนที่ผ่านมามันมีความหนักความแน่นไม่ได้หนักแน่นนะมันมีความหนักกับแน่น mm. เห็นในการยึดเดี๋ยวหมอพีภาวนาดีนะ ภาวนาดีไม่ต้องตกอกตกใจดูเพี้ยนไปละปล่อยมันสิล่อยมันนะอย่างตะกี้ดีกว่านี้นี่ไปอัดมาแล้วนะี่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วไม่ต้องดิ้นรนมากรูนะ้ไปเรื่อยเห็นไหมมันปรงโปรงมันไม่มีอะไรหรอกดูไปเรื่อยวันนึงใจมันก็พ้นจากทุกอคุณตรงมันก็หนักหนักนะครับ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 ชอบไปปรุงแต่ง <S <s> <s> <s> <S แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกเริ่มยอมรับได้มากขึ้นคะ่ะต้องแก้ไขไม่แก้ <S <s> <S สินะรู้ได้ถูกต้องแล้วไม่แก้แล้วอย่าอย่าไปคิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกนะไม่ได้ทำเอาดีเอาถูกมันเป็นยังไง ร, รู้ไปเรื่อยเพื่อจะได้เห็นความจริงถึงวันหนึ่งมันจะปิ้งขึ้นมาเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราจับหลักให้แม่นนะ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 ดีฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นคนหนึ่งแหละที่จะเอาตัวรอดค่ะก็ช่วงหลังนี่รู้สึกว่าเห็นว่ามันมีมีเผลอบ่อยขึ้นค่ะหมอพีทำอะไรอ่าดีใจไหมสารไม่ดีใจไม่ทันฟังหลงอยู่ครับหลงเหมือนกันใช่ั้มหลงยิ่งกว่าเขาอีกดีแล้วหมอพีภาวนาดีแล้วนะไปดูนะดูสักสามเดือน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 อย่างนั้นถล่มลงไปนอนดูแล้วใจหลงไปแล้วแล้วนะตื่นขึ้นมานะเมื่อกี้รู้ไหมใจถล่มเข้าไปไอ้อย่างนั้นไม่เอานะอ้าวรัตที่รัตเห็นว่ามันเกิดับไปนั่นนะคะก็คือให้เรัตมองอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าค ะ, ะไปเรื่อยๆล้วถล่มไปหรือเปล่าคะฮะรัตถล่มเกินไปหรือเปล่าคะเพราะเมื่อกี้รัตเหมือนแบบแต่ถ้าถล่มไปนะใจมันจะเป็นนิ่งๆซึมๆทื่อๆอยู่อย่างนั้นถล่มไปดูหรือไม่ก็เออๆไปเลยไม่รู้อะไรเลย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 ลมที่ทองก็จะไม่มีก็คือหายหมดปกติหายหมดแล้วก็ก็ก็ไม่ได้ภาวนาเพราะว่าไม่รู้จะบริกรรมหรือว่าภาวนายังไงไม่ไม่ต้องทำอะไรก็ก็เสร็จแล้วมันก็เคิร์มเคิมก็ก็บางทีก็หลับไปเลยก็เป็นอย่างนี้มาหหเดือนเพื่อครึ่งปีแล้วนะนานเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงก็คือ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 เข้าไปอินกันอะไนั้นเลยเราจะหายเสมอไป็นคนี่รู้สึกตัวเองหายเสมอเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมรู้ว่าอินเข้าไปพอเราอินแล้วเราหายไปแต่เดิมเราอินแล้วเ่เรามันไปเลยนะเราไม่รู้ว่าเราหายไปหรอใช้ได้ละดีกลับนาะมสการหลวงพ่อคะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองเหมือนติดเพ่งคะ่ะเวลาเดินเนี่ยเหมือนใจลอยไปเสร็จแล้วก็จะมาอยู่กับเท้าตอนขณะเดินถ้าเวลานั่งเนี่ย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 มองดอกไม้หลังหลวงพ่อค่ะ้วสดใสเลยใช่ไหมเนี่ยมองดอกไม้รู้ว่าดอกไม้แมองดอกไม้รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่สตินะรู้ว่าชอบค่ะรู้ว่าชอบเรียกว่ามีสติอ่แล้วหนูจะต้องมีอะไรเพิ่มไหมคะอย่างมรไม่เพิ่มมีแต่ลดลงนะพยายามรู้สึกไปเรืลดลงเหรอคะลดหมายถึงลดกิเลสลดความจงใจปฏิบัติรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏ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 บางทีที่เราเห็นเนี่ยมันมันเหมือนไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าจิตเหมือนขนาดนี้ไหมจิตขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้ดูไม่ออกค่ะตื่นเต้นเออตื่นเต้นแล้วไปกดมันไว้หน่อยหน่อยอ๋อนะกดใช่ออไหมคะไปกดนะั่แต่ว่ากดเบาๆกดไว้แบบเบา ๆ, ๆให้มันเออเออเงี้ยอ๋อตอนนี้เออใช่หมคะ เ, เนี่ยเนี่ยแกล้งเออหน่อยหน่อยงั้นจะทําให้หายกลัวได้มันทําขึ้นมา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 พอเห็นอันนี้จังมากๆา ก, ากเาไม่มีแต่ของที่เกิดระดับไม่มีตัวเราหรอกะนะละความเห็นว่ามีตัวเราไปบางคนเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกน ะ, ะจิตใจนี้ก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลากิเลสตัณหามันผลักดันนะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวปรุงโน้นปรุงนีนงนนะ้มีแต่ความทุกข์ความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้เลยนี่เรียกว่าเห็นทุกข์ขังเป็นเห็นทุก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 เห็นไตรลักษณ์เพียงมุมใดมุมหนึ่งนะก็เป็นพระอรหันต์ได้ดังั้นเรารู้สึกไปเรืยของโยมนะมีปัญญาก้าโยมจะเห็นอนัตตาดูไปทุกอย่างไม่ใช่เราไปหมดเลยเป็นแต่วัตถุเป็นแต่ก้อนธาตุจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันทางานของมันเองดูอย่างนี้เรื่อยๆนะมันหนึงก็ผ่านเป็นคนหนึ่งที่จะผ่านนะอย่ามาถามทีละคนนะเดี๋ยวใจใจเสียเสียเปล่า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 กายเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นยังไง ร, รู้ว่ า, นะเาเป็นอย่างนั้นนะครับจิตเราเป็นยังไงจิตก็เป็นไตรลักษ์กายก็เป็นไตร ล, ลักษ์มีแต่ของไม่เที่ยงของเปลี่ยนแปลงของบังคับไม่ได้นะดูไปได้วยอย่างตอนเนี้ยจิตหนีไปคิดรับปล่าไหมครับจิตไหลไปคิดรูนะ้ว่าจิตไหลไปคิดครับฝึกแค่นี้พอละครับเมื่อสองสาวันก่อนออล่าสุดได้กลับเลยหลวงพอ่อหมอพี่หลงไปละรู้สึกไหมมีโมหะแทรกด้วย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 มีความรู้สึกลงไปดูสภาวะเวลาที่เกิดขึ้นแล้วมีความเป็นการมีความสุขโฉมมาจากความซึมอืก็เห็นว่าความซึมมันก็ยังอยู่ความสุขก็ยังอยู่อแต่ที่เห็นเพิ่มขึ้นก็คือว่ามันเห็นมีตัวเราคนหนึ่งนั่งดูสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เม่อมีเราครับผมเท่ากับว่าเหมือนเดิมทีเคยเห็นแค่เแค่สภาวะที่เกิดขึ้น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 ก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาพีก็ทางานตามปกติเองครับใดีการพนมสการครับผมปฏิบัติถูกยังครับถูกครับรู้สึกเรืยๆนะแล้วกิเลสโผล่มารีบรู้เลยครับพีรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยมันมีเราดูไม่ขานนะไปดูต่อมันมีเราดูฟุตขึ้นมารู้สึกตอนที่เผลอๆนยะดู ๆ, ๆนะมันมีความเป็นเราแทรกขึ้นมา